มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปฐมวัคเทระสะติขะปฏิพานปัญหาที่สาม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 โยมนี้อยากจะใคร่พูดอยากใค ร, ร่เจรจาภาทีกับด้วยพระผู้เป็นเจ้านักหนาะพระนาค เ, เสนจึงมีเถระวาจาว่าดูราณะมหาบพิษจะเป็นอะไรตรัสว์กระไรเร่งตรัสเถิดแต่บพิษผู้ประเสริฐอย่าประพาดด้วยราชวา่าดจงตรัสกับอัตมาเป็นบัณฑิตตวา่าดพระเจ้ามิลินนรินทรราชจึงประพาดถามว่าพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบัณฑิตตวาดนักปราจราจานี้เจราจาประการใดโยมยังสงสัยอยู่นิมนต์วิสัชนาไปก่อนอ้อขอถวายพรธรรมดาว่าปราจราจาย่อมสุนทรอ่อนหวานมิได้เจราจาหักหารขมขีปฏิกกรรมะกระทำดีเรียบร้อยถ้อยคำย่อมกระทำให้วิเศษต่างๆ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 มีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าผู้ฉลาดอีกประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าว่าราชวาดคือคํากษัตริย์ขัตติยมหาศาลนั้นเป็นประการใดจงวิสันาให้โยมฟังก่อนขอถวายพระพรบรมกษัตริย์ขัตติยมหาศาลจะตรัสย่อมหักหานเอาด้วยปัญญาปฏิพานของตน ในวัตถุสิ่งเดียวได้ตรัสให้กระทําดังนี้ถ้ามีผู้ใดขัดพระราชองค์การโสดโทษก็มียิ่งแก่ผู้นั้นอันกษัตริย์นี้จะตรัสเจรจาภาทีมิได้อนุโลมตามใครความกรณีจึงไม่ให้ตรัส ด, ด้วยอัตมาเป็นคําราชวาด์บออพิษจะตรัสเป็นราชว่ากับอัตมาอัตมาก็มิได้สนทนาด้วยบ่อพิษพระราชสมภารในการบัดนี้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 จะถามอัดทปัญหาให้หลกัหลกๆมากกว่านี้เรื่องพระยามิลินรับสั่งให้อมาดไปนิมนต์พระนาคเกษดัริแล้วพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การสั่งเทวะมันติยะอมาดผู้ฉลาดว่าดูกระเทวมันติยะอมาดจงอารัธนาพระผู้เป็นเจ้านาคเกษให้เข้ามานั่งสนทนากับด้วยเรา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 สัพพทินะอมาจ้งทูลว่าขอพระราชทานให้พระหน้าเกษนิมนพระสงฆ์มาด้วยสิบองค์อย่าให้เอามามากเลยพระราชโอคงการตรัสว่าสัพพะทินะเอยอย่าบังคับเลยตามใจท่านจะมาเถิดสัพพะทินะอมาก็ทูลขัดพระราชองค์การถึงสามครั้งดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า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 ก็นุ่งสบงทรงจีวรมีพระกรจับบาทพาสง 80,000 ลีลาดมาเป็นอันดับกันปุพันหะสมัยเยแต่เวลาเช้าพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าสู่พระราชธานีฝ่ายอมาตย์ทั้งสี่ก็ตามไปด้วยกันจบเทละสะติขะปฏิภานปัญหาที่สาม